บัดนี้จัดแสดงธรรมกถาในการอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อารหันกสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธทมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลงทำสมาธิในการฝั่งเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามสภาสังวรสูตรนำสติปัฏฐาน สอนวิธีละอาสวะกิเลสดองสันดานได้แสดงมาแล้วคือวิธีละด้วยทัศนะ ปัญญาที่รู้เห็นด้วยวิธีสังวรสังวรคือสุโรศีและด้วยวิธีเสษบริโภคปัจจัย ทั้งสี่โดยพิจารณาโดยแยกใครเศษ บ, บริโภคจะแสดงวิธีที่จัดสอนไว้ต่อไปเป็นข้อที่สี่ กัดสอนใหล้ละอาสวะ ด, ด้วยความยับยั้งไว้อยู่หรือรับเอาไว้อยู่หมายถึง ใช้ขันติคือความอดทนหรือความอดกลั่นต่อหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัต์เครือขลาย ทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวมาไม่ดีที่เสียดแทงกระทบกระทั่ง ต่อเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตอนอันเป็นทุกเขเวทนาที่แรงกล้าเจ็บปวดรวดร้รว ไม่เป็นที่พอใจต้องการอย่างหนักถึงขนาดที่จะนำชีวิตไปได้เมื่อไม่ ยับยังไว้อยู่ไม่รับเอาไว้อยู่คือไม่มีคันติอดทนอดกลั้นอาศวะทั้งหลายเหล่าใดที่ทำให้ขับแค้นทำให้เดือดร้อน ย่อมเกิดมีขึ้นแต่เมื่อยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้รับไว้อยู่คือมีขันติอดทนอดกลั้นได้อสุวะเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีไม่เกิดขึ้น ในพระพุทธโอวาทนี้ตรัสสอนให้ใช้วิธีที่เรียกว่าอธิวาสนะที่แปลว่ายับยั้งเอาไว้อยู่ หรือแปลว่ารับไว้ได้อันเป็นลักษณะของขันติอย่างหนึ่งเรียกรวมกันก็ได้ว่าอธิวาสนะขันติแปลว่าขันติ คืออธิวาสนะยับยั้งเอาไว้อยู่รับไว้ได้ขันติลักษณะดังกล่าวนี้แปลกันว่าอดทน หรือว่าอดกลั้นนั่นและก็มีสอนกันไว้จำแนกเป็นสามคืออดทนต่อความตรากรรา อดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความลาบากอดทนต่อความปรับปรามนั้นก็ตรงกับที่ปรัดเอาไว้ว่ารับไว้อยู่ ซึ่งหนาวร้อนผิวระหายสัมผัสเลือยยุงลมแดดสัตว์สืบกรารทั้งหลายอดทนต่อความเจ็บใจก็ตรงกับทิ่จักสอนว่ารับไว้ได้ซึ่งค่อยค้ำ ที่กล่าวไม่ดีที่เสียดแทงจับจ้วงล่วงเกินอดทนต่อความลำบากก็ก็ตรงกับจิตัลักรับไว้ได้ซึ่งเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตนที่เป็นทุกขเวทนา อันแรงเจ็บปวดรวดร้าดังกล่าวแล้วทำไมจึงว่ารับ ไว้อยู่หรือยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้บอกเขาว่าความกลัทธาจำก็จำที่จะต้องพบคือจะต้องพบกับ หนาวร้อนหิวระหายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่จะห้ามไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้ระหายไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ แม้ว่าจะมีปัจจัยเครื่องอาศัยสำหรับประบัดคือปัจจัยสิทธดังกล่าวมาแล้วในข้อสามก็ตามแม้เช่นนั้นก็ยังจะต้องพบ ความป ร, รับปรำเหล่านี้เพราะว่าจะต้องประกอบการงานจะต้องอยู่ ในที่ซึ่งต้องมีหนาวมีร้อนอันเกิดจากดินฟ้าอากาศฤดูกาลทั้งยังอาจพบกับหนาวร้อนซึ่ง มันเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลโดยมุ่งดีก็ตามมุ่งร้ายก็ตามทั้งยังจะต้องมีความหิวระหาย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 หลายอย่างหลายประการเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหากไม่มีความอดทนหรืออดกลั้นที่จะรับ ภาวะหนาวร้อนเป็นต้นได้อาร์ตววะทั้งหลายก็ยอมจะบังเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนขับแ้ลต่างๆแต่เธอสามารถ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 คำว่ากดนั้นก็เช่นเกิดหิวแต่เมื่อไม่ถึงเวลาที่จะบริโภคก็ต้องอดคือว่ายอมกด และก็ต้องทนต่อความทุกข์ที่เกิดจากความหิวกดกลั้นก็เช่นเดียวกันต้องกลั้นเอาความหิวเอาไว้คือยอมกดนั่นเอง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 อีกทิมแทงเสียดแทงจากจ่วงลวงเกินอันเป็นชนวนให้เกิดโทสะถ้าเกิดโทสะขึ้นมาก็แปลว่าอดทนกดกันว่าไม่ได้รับว่าไม่ได้นั่นแหละคือคืออาสวะ ก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ารับเอาไว้ได้อันหมายความว่าไม่ใ่ายแพ้ต่อถ้อยคำเช่นนั้นแม้ว่า จะบังเกิดปฏิกะคือความกระทบกระทั่งใจมงุดงิดหรือความเครียดความขึ้นขึ้นมา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 และก็มีโอกาสที่จะต้องประสบทุกขเวทนาเกิดในภายใ น, เ ก, นเกิดจากอ า, าพาธป่วยไข้หรือแม้ว่าทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพราะดินว่าอากาศ ทีนาวร้อนเป็นต้นอันเกินไปซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนไม่ใช่เป็นเครื่องทนุบำรุงแต่เป็นเครื่องเบียดเบียนก็เป็นทุกขเวสนาขึ้นถ้าไม่มีความอดทนอดกลั่น ก็จะทำให้เกิดความเลือดร้อนกระสับกระสายหุดหงิดก็เป็นอาสวะขึ้นมาแต่จะหากว่ามีความอดทนอดกลั้นรับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้ได้อาการที่หุดหงิดกระสับประสาย ต่างๆก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความฝึกหัดให้เป็นภูสามารถรับเอาไว้ได้ยับยังเอาไว้ได้หรือรับเอาไว้อยู่รับรังยับยังเอาไว้อยู่รับเอาไว้อยู่ อันเรียกว่าอดลุนัน อ, อุต ก, กันนี้เป็นหน้าที่ของฟูปฏิบัติทำถึงปฏิบัติได้แต่ว่าเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะทำให้บางเกิดความา ก, กลับลาหรืออาจจะให้เจ็บใจให้ลำบากทั้งปวงดังกล่าวมา เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่เช่นว่าหนาวร้อนเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ถ่อยคําที่กล่าวมาไม่ดีที่จับโจงลงเกินก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขา จนเขาอาจจะพูดเมื่อไรก็ได้เขาอาจจะว่ามาเมื่อไหรก็ได้พุกค เ, เวทนาต่างๆอันเกิดจากอาพาธป่วยไข้เป็นต้นหรือแม้เกิดจากเครื่องเบ็ดเบียนต่างๆก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปนอยู่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 คือรับยับยังเอาไว้รับไว้อยู่รับไว้ได้นี่แหละคือขันติที่ได้กับความอด ท, ทนหรือความอดกลั้นดังกล่าวนั้นซึ่งทุกคนจำเป็นจะต้องมีจะหรัว่า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 เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องความเฉลียววิวาตจนถึงทำร้ายซึ่งกันและกันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุ น, นี้เป็นอันมากขาดความอดทนเพียงนิดเดียวเท่านั้นในเบื้องต้นก็ไปกันใหญ่ทุกเวทนาทั้งหลาย เกิดจากอพาสเป็นโรคหเจ็นเดียวกันเจ็บนิด ก, ก็ไม่ได้เจ็บหน่อยก็ไม่ได้ขายความอดทนใครเล็กก็เลยเป็นใขรใหญ่แถมใจสอกอีกด้วยแล้วก็เลยเพิ่มไข้ที่มีอยู่แม้ไม่หมักนะักให้หมักขึ้นไปอีกได้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 ก็เป็นสิ่งที่ฝึกหัดปฏิบัติได้ทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจร่างกายและจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างความอดทนให้บังเกิดขึ้น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 เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ยากจิตใจที่ต้านทานได้มากก็จะทําให้เกิดโรคภัยใค้เจ็บทางจิตใจก็คืออาสวะทั้งหลายนี่แหละในในในใ น, ในยากขึ้นก็เหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่ดํำรงอยู่ได้ก็จะต้องมีความแข็งแกร่ง มีความมั่นคงอยู่ในตัวต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ได้ก็ต้องมีความแข็งแรงต้องมีความมั่นคงอยู่ในต้นไม้นั้นเมื่อลมพัดมาต้นไม้ที่มีความแข็งแรงย่อมทานกำลังของลมไหวไม่หักค้ แต่ว่าต้นไม้ที่มีความแข็งแกร่งน้อยถูกลมพายุพัดมาก็หักโคนได้งั้แต่ถ้ามีความแข็งแกร่งมากก็หักโคนยากถ้าเป็นพายุธรรมดาก็ไม่หักไม่โคนนดำรงอยู่ได้บุคคลเราก็เหมือนกัน ตายและจิตใจดำรงอยู่ได้ก็โดยอำนาจของความแข็งแกร่งอันเกิดจากความอดทนอดกลั้นเหล่านี้เองต่อภาวะแวดล้อมทั้งหลายและก็เหมือนอย่างต้นไม้ต้องพบกับลมที่พัดมาอยู่เป็นต้นเป็นประจาร่างกายและจิตใจของบุคคลเราก็ต้องพบกับเพื่อนแวดล้อม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 ล้มไปตามเครื่องแวดล้อมก็คือไม่เกิดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องทาให้เดือดร้อนทุกร้อนต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นขันตินี่เองคือความอดกันอดทนอดกลั้นต่อภาวะแวดล้อมทั้งหลายที่ทุกคนต้องรับ แต่วรับไว้ได้รับไปอยู่ด้วยความอดทนอดกลั้นแต่ในการปฏิบัติทำขั้นติคือความอดทนอดกลั้นนี้ด้วยการหัดปฏิบัติอดทนอดกลั้นในเหตุการณ์แวดล้อมธรรมดาที่สามารถอดทนอดกลั้นได้ซึ่งก็มิใช่หมายความว่าอดทนต่อหนาวร้อนนั้น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 หรือเครื่องป้องกันต่างๆเป็นต้นแต่ก็ต้องอดทนเอาบ้างเท่าที่คุณจะอดทนได้ไมาความอย่างนั้นแต่ว่าถ้อยคํำลวกเกินนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ข้ามาป้องกันแต่ว่าต้องใช้ขันติในใจนี้เองป้องกัน คือมีความอดทนอดกลัน้นและใช้โสติจั ก, จกที่แปลกันว่าความสงเสงียมคือทำใจให้สบายหมายความว่าระบายออกระบายออกไปจากใจให้ใจสบายไม่เก็บขังเอาไว้เพราะว่าความเก็บใจนี้เมื่อกขว่าก็อาจจะมี แต่ว่าหาระบายออกไปได้ไม่เก็บาเอาไว้ในใจหายความเจ็บใจไปใจก็สบายความที่มีใจสบายนี่แหละคือโสระจกักรต้องหัดปฏิบัติรู้จักระบายด้วยถ้าหากว่าระบายไม่ได้เก็บความเจ็บใจเอาไว้ ความเจ็บใจอันนี้ก็มากขึ้นหมักขึ้นก็ต้องระเบิดเพราะแปลว่าอดทนไม่ได้พรดฉะนั้นต้องรู้จักระบายระบายความเจ็บใจเป็นต้นนี้ให้น้อยลงไปน้อยลงไปหายไปเจนใจสบายต้องใช้ปัญญาใช้สติพิจารณาต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้นจะเป็นโทษไม่เก็บเอาไว้ นี่แหละคือโสระจักระคือมีขันติแล้วก็ต้องมีโสระจักระคือไม่เก็บเอาไว้ในใจระบายออกไปให้หายให้ใจสบายใจสบายก็คือเป็นโสระจักระพราะฉะนั้นขันติข้อนี้จึงเป็นข้อสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าได้สังสอนเอาไว้ ซึ่งมีอธติวาสนะความที่ยับยั้งไว้อยู่รับไว้อยู่หรือว่ายับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ต่อภาวะไวไ้ไหรนี่แหละคือตัวขันติและเมื่อหัดบ่อยๆจนเป็นความแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วก็จะเกิดความทนทาน เป็นคันติอีกอย่างหนึ่งที่แปลว่าความทนทานโดยไม่ต้องทำความอดกลั้นห้อดทนใดอย่างไรเหมือนอย่างภูที่ปฏิบัติขัดรับคำว่ากล่าวล่วงเกินติดขินนินทารับไว้ได้รับไว้อยู่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 ดังนี้ไม่เกิดความลำบากในการที่จะต้องอดทนกดกลั้นอะไรจึงเป็นขดังหนึ่งซึ่งเป็นคันติสมบูรณ์เรียกว่าตตติขาคันติคันติที่มีลักษณะเป็นตีติขาคือความทนทานเหมือนอย่างภูเขาหินล้นลมพัดมาก็ไม่ไหว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 อดทนอดกลั้นอนดลำล้งอยู่ได้ไม่หักไม่คนไม่ตามลมปัดแต่ว่ยังไหวใจที่ยังไหวอยู่นี่แหละที่ต้องใช้คันสติคือความอดทนอดกลั้นที่เป็นอธิวาสนะคือรับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่คือยังต้องรับอยู่ แต่ว่ารับมาแล้วก็รับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่ไม่หักไม่โคตรเหมือนอย่างต้นไม้ที่ลมพัดมาก็ไหวก็รับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่ต้นไม้ไม่หักไม่โคตรขันติชนิดนี้มีอธิวาสนะเป็นลักษณะแต่ขันติที่มีความแข็งแกร่งขึ้นจริงๆแล้วเหมือนภูเขาหินลมพัดมาไม่ไหวจิตใจที่มีขันติ ที่สมบูรณ์ก็เหมือนกันลมปากเป็นต้นพัดมาก็ไม่ไหวนี่มีตีติขาคือความทนทานเป็นลักษณะอันเป็นความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะบังเกิดขึ้นได้จากการฝึกหัดปฏิบัติไปโดยลำดับสลวงพีเจ้าจึงได้จัดสรรเสริญแข็งติไว้เป็นอันมาก ป็นวาขันติเป็นกำลังของภูบอเเ็นทศหรือของนักทศเป็นต้นขันติพร้อมทั้งโสรจจะเป็นธรรมะที่ทำให้งาม